แล้วเวลายเไร่รสินาทีสิบนาทีเวลานี้เราอยู่ที่เชตวันสาวัถี วันอะไรวันนี้วันที่แปเป็นวันอะไรโอ้วันนี้เหมือนเด็กไปเนาะเนาะวันนี้นนนหล ว, วนนงพ่อเลี้ยงนะะหลวงพอเรียงเลี้ยงด้วยคาพูดเลย เลี้ยงเลกวันนี้วันเตัวเตยใครบ้างวันนี้ไหนยกมือการวันที่หกแล้วไว้วันน่ะวันเสาร์มันเกิดทุกวันเจ็ดวันตัวเนี่ยต้องมีแะไรเนี่ยเราไม่ได้ลึกถึงความยาวความสั้นตรง ของอายุ ข, ของเราเาไม่หนึ่งี่เราจะได้ัมันเป็นความไม่ประมาทมันทำครของอะไรนพูดเอาไว้ก็บอกว่าระหว่างพกหน้ากับวันพรุ่งนี้พบหน้ากับวันพุ่ง น, น, น, งนี้เราจะถึงอะไรก่อน พบหน้ากับวันพรุ่งนี้มันรู้เราจะพบอะไรกับนบางทีโอกาสจะพบวนันพรุ่งนี้หมายความว่าเรามีชีวิตอยู่ไปอีกวนันหนึ่งคือบางทีเราไม่ไดว้วันพุงนี้ซ้าเราไปพบเจอพบหน้าซะก่อนหม า, า, า, า, ายความว่าความตายของเรามันไม่ยั้งเดียวมันไม่ ม, ม, มาเกิดอีก ความตายไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายไม่มีอะไรเป็น่มนหมายเวลาจะตายเวลาสิ้นสุดของความตายเวลาสิ้นสุดของชีวิตจริงๆก็คือหายใจออกเปหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรจอก็มีแต่น้ำลายฟูปากยังว่ายังว่ายใจเข้าตายไม่ตายไ ด, ใดใย้หายใจเข้ายังหายใจเข้ามันได้หายใจออก แต่ตอน ท, นทีมันข้ามอะไรจริมันจะออกอ อ, อ, อ, อ, อ, อมันไม่มีอะไ ร, รออกมั น, น, น ม, มีทนลุลายออกมีตะนโมกะลุลายคือปอดมันทำ ง, งานไม่ได้แล้วแหละ <S <S น, น, น T G T ละั่นคือการจบชีวิตทีซีหนึ่งชีวิตทีซีหนึ่งรัฐบาลร่างกายดีก <Okay. S 2> ว่าตายตอนตายจบเพราะกระบอกระเ บ, บิดมาข้ามันเองจนรูดซุดโศมเสียหายหมดแล้ว <c oughs> ระบอกเสียหมดแล้ว วัปกระเซียนตัดไตปอดคนว่างส่วนหน่มต้องานตากไปเหมือนกันนักกายภาพจิตม่มันงานได้มันก็ยุ่ทางานได้นนักบวงานได้ยาววรตนมกคนละอายุเท่ไรพ่อเดี๋ยวนี้มีเจ็ดสิบเข้าเจสเแล้วเจสเปที่มันไรดูส ยี yeah, yeah, yeah. Yeah. The mm ่ส hmm. yeah. well, we mm ิบเอ็ดปีสาก้าเกว่าปีมาแล้วองหมืกว่าปีมาแล้วนะยม้วนสองหมื่กว่าปีมาแล้วองหกว่าปีเั้งมมาเจริมามายุไข การที่เราเระลึกได้ถึงว่าความตายดักรอยู่ข้างหน้าแท้จริง ค, ความตายมันดักรออยู่ค้างหน้าด้วยกันทุกคนแตม่มันไม่มีมิจฉายนิบบอไม่มีมิจายนิบบอใครจะอยู่ได้ข้ามวันนี้ข้ามคืนนี้ข้ามวันนี้ไปถึงวันใหม่ข้ามคืนนี้ไปถึงคืนใหม่มันไม่มี แม้แต่อยู่ในห้องไอซียู่โดยแท้เราก็ยังข้าไม่ได้ทั้งนั้นเวลาทั้งนั้นเวลาทังนี้ข่าได้ทุ่วันอาจจะไม่ทุกวันนั้นอาจจะไม่เลยวันนี้แต่ค่าเวลาไม่ได้มันจะหมดตอนไหนรู้จะหมดตอนมันหมดไปในขณะจุบามตายคมตายก็คือร่างกายหยุดตร ง, งาาร่างกายหยุดตร ง, งาน เพว่าร่างกายเนี่ยกระบระบอกข็งร่างกายมันก็มาจากนน่นมันก็มาจากในท้องแม่มันมาจากก้อนสังขางพ่อก้อนสั้งขางแม่มารวมกันะก้อนสังขางเราคือจิตที่จับจองในท้องแม่ดิเราพูดมาตรงนี้เราว่ามันได้ประโยชน์สำหรับนักปฏิบัติของเราเราพูดไปยังมือพูดได้แต่ว่าพูดได้พูดตรงนี้มันไม่ประโยชน์ทำให้เรามระชาเป็นบทพิจนาย้อนหลังไปถึงเราได้ เรย้อนหนังแต่พวกเรานั่งอยู่ย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนกลางคืนหลังนะย้อนไปจนถึงมืดไม่ได้ท้องแม่แล้วตั้งแต่แปดเดือนเจ็เดือนห้าเดือนหเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวันขนาดนั้นก่อนที่ถ้าเป็นของพ่อของแม่มาผสมกันในช้องแม่แตนนั้นไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวป็ตน นี่คือการอุบัตของการเกิดของมันก็มีอยเราย้อนไปว่ารมอนหาวแล้วก็มองหาดูตัวเติบโตเติที่ใท้จริงคืออะไรเป็นอะไรมันไม่มีอะไรจริงจริงทุกอย่างทีระุทจ้าทรงกล่าวมันมีแต่กองสังขารหากองสังขารนี่มันเกิดขึ้นมาเราไม่รู้มันเป็นไปตามภาวะของมันอย่างการที่มารอบัตในร้องแม่ทอนพ่อเราก็รู้แต่ว่าอาการใหญ่ๆอาการปีกเล็กละเอียดของธรรชาติเราก็รู้ไปได้ อย่าอ้อนไปถึงใจของพ่อของแม่เห็นไหมเห็นเจ้าล้นจอมมอยู่ในใจของพ่อของแม่พวกเราก็เป็นทั้งลูกแล้วบางคนก็เป็นทั้งพอ่อคนเป็นทั้งแม่คนแล้วพวกเราก็เป็นทั้งลูกเดี๋ยวนี้เราเป็นทั้งลูกเราเป็นทั้งพ่อเราเป็นทั้งแม่เราทําลูกเรามีลูกลูกไปบันไม่ท้องนั่นมาจากอะไรไมาจากพลังภายในใจเจ้าตัวเจ้าล้จาาในจอมในใจ ไระเจ้าพระจอมเป็นปตัวต้นตัณหาความอยากธรรมชาติเรื่องการมา อ, อุบัติเป็นแต่มา อ, อุบัติได้ด้วยปุ๋ดยเก่าไม่ใช่ยามาก็มาได้เราเห็นสัตว์ทั้งหลายทั้งปงอยู่โลกใบนี้ไปดูสัตว์ทะเลเต็มไปหมดไปดูบ้านเร า, มาแลมลงนู่นนี้เต็มไปหมด จ, จะไปหยิบแมลงยง มีเล่นหายไปหลสารพัดเต็มไปหมดว่าจะอยู่ตรงไหนมีที่อับมีที่ชื้นมีที่นุงทีสเต็มไปหมดสัต์เต็มไปหมดสัตว์บางอย่างกับความรู้สึกอะไรกับมีแต่สัญชาติยาณสัตวบางอย่างมีความรู้สึกใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยมีความรู้สึกสัตที่มีความรู้สึก มีความรู้ชัดเจนที่มาใหม่รู้จักกลัวสัญชาตญาณของสัตว์มีความกลัวสัตว์บางอย่างมีแต่สัญชาตญาณไม่มีความรู้สึกกลัวเลยรเหมือนอย่างสัตว์บางอย่างเราไปเห็นเฉพาะเนี่ยเขาไม่แสดงความที่จะหนีจากอะไรรู้ใช้กันเลยแต่ว่าตึกละตายที่กันอะไรอันนห้นมีความรู้สึกที่ชัดเจนถ้าสัตว์มีความรู้สึกที่ชัดเจนมันจะกลัวมันจะกลัวนพยายามหลบจะพยายามหนี นี่เรามาบัตรเป็นมนุษย์มาบัตรเป็นกุณฑลธรรมอย่างน้อยเราต้องมีศีลศีลห้ามันจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งที่เอามาอาจจะดางอาจจะพร้อยอาจจะทะลุอาจจะอะไรอยู่บ้างแต่ที่ยังมีส่วนยังมีมนุษยธรรมอยู่เหมือนั้นยังมีศีลหึ่งที่ทำอยู่ถึงได้มาบัตรเป็นมนุษย์การได้บัตรมาเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากแตาการได้บัตรมาเป็นมนุษย์มันเป็นเรื่องยาก กราดูภายในใจของเราเนี่ยตัณหาตัวนี้ยมันพยายามดิ้นรนสารพัดตามอำนาจของความอยากของมอัมันอยากอิสระเสรีมากความอยากในใจของเราแต่เดี๋ยวนี้เราพอจะอยู่ได้รักษ า, าคู่ครองธรรมของมนุษย์ได้เพราะพราะว่ามีหลักของสิ่งมีหลักของธรรมมันมีเอริททำเป็นหลักเป็นพื้นเราไมีความะาละอายเราไมีความเกรงกลัว อาศัยความาลายลายหลายต่ออกุศลลายตอ่อความทุกข์เจ็บลายต่อความขวนเราจ ER ึงเป็นเหตุให้เรารักษาคุณธรรมของมนุษให้สูงยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความละอายอะไรอาศัยความเคร่งต <ad S 2> <c oughs> ัวใส่เฮริเฮริคือความอายแก่ใจละอายแก่ใจของตัวเองนะไม่ใช่ลายแก่ใจขางคนนั้นคนนี้ความลายแกใจของคนอื่นนั้นไม่ใช่เิริ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าีจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าระอายใจรายแก่ใจความตุย่ยเรามีความรู้สูงไหความรายแก่ใจตุสิ่งไหนที่ว่าคิดชินคิดทำปั้กคือความลราแกใจเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันจนกลายเป็นกําแพงที่ยิ่ใจขั้นเลยไม่ว่าก้าวล่วงไม่ว่าข้ามข้ามไม่ได้ข้าม ไ, าาไม่พ้นที่ใจียงไทมีนิสัย ยี่รีกล้าแข็งขึ้นขนาด น, นั้นคือพืชเทจิณิวิสั ย, ยทแท้แท้ของเทวดาและธรรมะธาว่าเรานี่ทำคนเป็นเทวดามีรี ท, รทรยีร่รีความร้ายในใจอดตบปัดธรรมอดตบธรร้วความเกรกลัเกรงกลกต่อโทษเพราะสิ่งที่เราไม่มีความร่ายในใ้าเราก้าว่วมทโทษก้า่วงทับโทษตย ม, ตมพกไปมันก็มาเกินข้อบัญญัคือสิ่ ไม่ตาสั่งไม่หลักสัก่งไม่รู้วิในการไม่พูดปรหกไม่ดูสุราอะไรพูดไปแล้วกะไม่เกิดสิเพราะแค่สินมันเป็นมาตรการที่ทำให้มนมุษย์อยู่เย็นเป็นสุขในสังค ม, มในโลกมนุษย์ขเราเราได้แล้วเเป็นคนเป็นบางเป็นางไม่ทำให้ใจเร า, เ ร, าร้อนร้อร้อจากผลสินข้อหนึ่งไม่มีร้อนจากพินข้อสองข้อสไม่มี ก็สิ่ละเอียดหนอยต้องที่จะเรื่องหนาอยก็สิผิดถูกพูดเล่นพูดจริงพูดโกหก็สิที่มระวังได้พูดจริงพูดตรงพูดตามความจําเป็นพูดอ้างอิงเหตุผลพูดอยู่ที่ไหพูดวิธ่ท่มาพูดเป็นปีจาวาจาอุบาจ้าอ่อนน้อพูดภาจาอ่อนหวานเป็นมธุรวมัทรวดวาจาหวานเหมือนน้ำปื้อ ที่กับคนเร้เอง mm hmm. ที่เรามีคุณธํามเหล่านี้แหละถึงเราจะดามบ้างทะลุบัางร้อยอยู mm ่ม้างเป็นคุณสมบัติหนุนมาให้เราได้มาเอเป็นบุญพอดได้มาสมบัติได้มาสมบัติเป็นมนุษ mm hmm. ย์แล mm ้วเหมือนเรามายืน อ, อยู่บนที่ที่มีอิสรเสรีที่เราจะพัฒนาไปบนเส้นทางไหนบนเส้นทางไหนบนเส้นทางที่ทําให้เรามีะความ อยู่เป็นสุขในัตตาแนี้ที่จะเรียกว่าทิฏฐธรรมทิตธรรมทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมหมายวามว่าในทุกนี้เราจะยึดนยัดอยู่คนโลกแบงนี้ได้อย่างมีควาเมเป็นอสุระริงอย่างไรท่านพี่ว่าเราจะสวยงาปรจกายสิ่งสี่ให้ครบไปสมบูรณ์ไปเฉยๆอไรเบราณสมมอิ่อารอุปมาอุปสัมภาระ ควใช้ของเศรษฐีเพราะร่างกายของเราต้องการอยู่ต้องการกินร่างกายของเราต้องการอยู่ต้องการที่อยู่ต้องการที่อยูต้องการเสื้อผ้ากต้องการยึดยาดทำไมเราจะมีปัจจัยทั้งสีที่มองบริโภคแสอท่างว่าให้ใช้ทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือปุริยทัศสอนว่าเราอยู่งเราจะมีคัาเจริญต้องทำต้องอยู่อย่างอาศัยใจหัวใจเศรษฐีกันดี ากาศสัอุทานสัมปทาสวยงามสักขยนหาสักขยันลุกหาสักอุทานะแปว่าความลุกขึ้นความขยัไม่ที่เกียรตีกล้ไม่นองที่สาวใครพอขยันมากคนก็มีโอกาสสวยงามสักไปมากใครกว่ากขยันน้อยก็สวยหามัไปน้อยแต่การสวยงามสักนั้นจะต้องอาศัยกัรญา บนคนตันน้งแต่เสืาน้อยแต่ว่าใสา่เขามีปัญญา ม, มากเขาก็ได้ข้อทรัพย์ใหญ่บงคนสวยบางการเปลี่ยนที่เสื่อมญาน้อยก็ได้แก่ตัวอยู่ข อ, อกิีก่เป็นปัจจัยหลายอย่เมื่อเราเสื่มามาได้แล้วท่านให้เราเก็บอุตรสัมมาทาขยันได้ทร ม, มาไรจะเก็บนารากักสัาาที่จะเก็ บ, เกบที่จะเก็ ได้มาสิคยใช้ไปหมดักครึ่งหนึ่งยังเหลือครึ่งอ่าสองวันก็มาไปมีส่วนเหลือวันห้าวันหาวันหาทุกวันทุกวันแต่ถ้าตรงกันข้ามไดงมาสิใช้ไปจนหมดวันหลังอกล่าเปลนาไง่อะไรเลยจังหาได้สิได้ใช้ใช้หมดสิวอนที่ได้สิใช้สิ้าอ่าก็ติดลบนะติดลบเป็นพ่อพางะไเีิลบไปเล่อยที่ลบไปเรืยติดลบไปเลย ตั้งหักของชีวิตไม่ได้มันจะมีควา ม, ม, วามเกิดกำลังจะมีเลยิญโดยเหตุที่สิ่งเหล่านี้มันมีความเข้ามายุวงใจเมืเกาทิงให้พวกเร า, าคิดหนักไปเกี่ยวกับเรื่อ ง, สงอเส้นหาเ ส, ส้นหาสราสิ่งที่จะได้ทราบหาก็คืออความรู้ยศศักยตาแหน่งหน้าที่ยศศักยตาแหน่งหน้าที่ส่นวนใหญ่แพงมากหรือเกียร์ทั้งหมดนี้ เราต้องการให้ได้ได้มาแล Na, ้วเราก็มีความสุขต่หน้าลาอายุอายเกียรติความศรัทเกียรติโยอะไรทั้งหมดเงโลมที่ภาชนะเดียวคือความสุขมีซ้ำใช้สอยมีความสุขมีแล้มีเกียรติศักดิ์ศรีดีงาในสั้งหมดเราก็มีความสุขมีหน้ามีตาในทั้งหมเราก็มีความสุขนี่เราก็มีความสุขดังนี้ บางทีเรามาทุบเทใกับสี่หล่านี้หมดเราดึงเิียดิ้นงด่างิ้นด่างก็จะได้ทางตรอไปหามออกไปถ้าเราไม่ดึงชิ้นด่างเราเสียอาสัมถ้าเราปูนนี้ด้วยฐานสมุทาด้วยอาสัมมาาด้วยกลยายนิจตตาด้วยสมชีวิตาด้วยอันนี้หมายเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการเ ส, สียอาสัมแล้วเรื่องการรักษาทรัพย์นั่ กิริยามิตราตารการที่มีเพื่อนอออมิตรดี่ป็ีเรื่อนสำคัญเพราะเราเกิดมาเราไม่มีเพื่อนเลยมือเราขาดมืขาดดีาขาดมือขาดตาขาดมือขาดตีขาดดีขาใจที่ค่วยช่วยชี้ช่วยหาช่วยเหลือเพื่อนเป็นการกิริยามิตการที่เปนื่องสำคัมิต ร, ท, ตรทุกคนมีได้แต่ต้องรู้จัส้างความมิตรดีที่มีมีจิตมิใชู่ก่อน เป็นมิตรที่ช่วยส่งเสริมเป็นมิตรที่ช่วยสนับสนุนเป็นพวกมิตรที่ช่วยแมประโยชน์ไม่ใช่มิตร ท, ที่ช่วยคิดทอลาลมิตรร้ า, างฝามิตรทัดข้าวหลังมิตรทัดเียียดประโยชน์ส่วนตัวมีหลายอย่อางหลน ย, ายสายคนมันลดไปดีมิตรที่มีความหวังพึ่งกันเราหวังพึ่งเขาเขาหวังพึ่งเราการที่เราหวังพุ่งเขาเขาหวังพึ่งเราต่างคนต่างมั่งจะเา้เาอกเอาใจกัน มิตรกัญญามิตรรักความรู้สึกมิตรในครัวเรือนสามีที่เป็นมิตรภรยาที่เป็นมิตรกัญญามิตรสำคัญที่สุดถ้าเราตั้งความเป็นคู่วรมีอย่างนี้สาคัญที่สุดคู่บารมีเพราว่าคู่มารมีมันหมายถึงสองคนละแบบใจเดียวกันโกรอนขันโกรธไปตามกัน แต่พยายามนะว่าถ้าใครมีธรรมอ่อนไปไดามคนนั้นก็ทำทานัธิาปาราออาตัวรอดได้ถ้าผหญิงมีธรรมมันหามมีเครืบงบอกถึความสามารถถึงความเป็นธรรมันมีอนั่นแหละใครมีธรรมบอกให้ตามคนนั้นสะามีเป็นผู้มีธรรมก็ให้ตามรยาเป็นผู้มีธรรมก็ให้ตามแตม่ไม่ใช่ว่าให้ดีใจเอาใจตัวเองคนเดียวนี่ผิด ต้องเอาใจสิ้นกับอะไรกั น, กนต้องจัาพระบุรอ ง, รองรใจสินกับอะไรกันต้องจักว่าอนนั้นเาจะดีใจโอ้ต้องจัว่าอันนั้นเขาจะเสียใจู้องจับว่าอันนั้นเขาเสียใจต้องจะบว่าระบุตรไจะให้กาลังใจไม่จะให้เกียรติข้อสำคัญที่สุดอย่ารูถูกอย่ายเหยียบย่กันการดูดูถูกกันการเหยียบยามกันระหว่างสามีภรรยาท่าเลยตูถูก <sk r ôn fs> กันไม่ได้นะ เปี่ยนยาดกัน ไ, นไม่ได้มันเป็นเรื่ศักดิ์สิทกันเขา็มีกูลเราก็มีตระกูลห้ามดูถูกกันเลยในเมื่อคนกรรมระมาศศพเป็นการทีเรารักษาหนักใจซึ่งกันทะนนอมหกใจซ่กันนี่ก็เป็นกยา่อย่างหนึ่ ง, ง เ, เราพูดประกอบว่ากิรยาหม่เป็นรสพที่สุดทำให้โลกนี้เรามีความอยูยนเป็นสุขก ยิ่งเราคิดถึงว่าเป็นคู่บารมีเอาจนแน่นแน่แนมั่นคงในหัวใจของเราตัวอย่างบริจาคนะเนี่ยถ้าเราเป็นคู่บารมีคู่บารมีนี่ช่วยเส่ิมกันได้ดูที่อพระานมามจีสมัยโองเป็นก็เฤาษีชุ่ตอพระฤาษีชุนตนนะอนตนท่านมีนิสัยให้ทานให้เนี่ยว่ า, านะอาจจะไรเป็นสมบัตเิเขาเลยให้จนหมดในที่สุดแม้แตนะ่ช้างนยช้างช้างอะ ชางปัจปจัยนาปัจจัยนาขีนช้างเกิดมาเพราะบุญปรมีของโจรเลยแต่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักนะว่าช้างเป็นช้าง ม, มองคนเป็นช้างประเสิร์ชนะใครเคยศึกษาเรื่งงองพระทธดอนช้างมองคนช้างก็เสิร์ชช้างีอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ ม, มนันมีฝนตกดีที่มีอยู่ครั้งหนึ่งเมืองกาลินคาเนี่ยฝนแหลงมาเ็ดปีแล้วคนมันจดอยากตายกันหมดแล้ว รวช้างปช้างมงคลเลยมาขอไปเพื่อเป็นมงคลพอฝนตกในเตียอะไรน้ก็จะเอามาคืนเพื่อเจ้าพระโพธิัว์มันก็ไ้ไปโอ้ชาวบ้านาวเมือขับไล่โท่าไปฟ้องไปเจ้าซีพีนะไปฟ้องพ่อพ่อเลยเขให้ออกจากเมืองไปพ่อในระว่าที่ออกพอจะไปเดินลาพังเลยที่พาราผมด้วยใเอง จะอามีชาลีปหาไม่จะไม่เอาไปแนละ้วนี่นามัคศีก็มายอมพูดฝพูดฟังเออใครมาแตนะ่งงานใครมาโ น, น, น่นมาเนี่ยย่อให้เลยให้รู้จักรักษาเม่รักษาตัวนั้นรู้จักเข้าอกวาใจคํานั้นส่อหมดเลยเรื่อไรหนาได้อยู่นามูบารมีขอไปด้วยพูดยังไงก็ไปด้วยยังไงก็ไปด้วยไรกไปด้วยกันนั่งราชรถไปนั่งไปนั่งไปรท่านมีจิตใจเป็นเตียมด้วยทานมีคนมาดัอที่ อขอมาไปแล้วขอมาไปเลยแต่เลยแต่รากชรลยแต่เพียนน่ะเที่วราแงเป็นกราบช่วยลากตีาก ไ, ไปลากมเขามาขอมาขอหนีทิ้งไว้หมดทลยเนี่ยไปจนถึงนูนนะเขาบกกฎแั้งคนะวามเพียรางที่หนึตอนหลังมาชูอชกชูอชกนีไปเมียงามไปเมียงามที่เมียดูแลรักษาผัวดีมากทางนั้นมีตระหนั ดูแลรักษาผัวดีทีนี้ผัวก็ชื่นชมชู ช, ช, ชทกท่านแกเมียสาวทําไมคนแกกิงไปได้เมียสาวเพราะว่าชุชมมกจะเป็นนักขอแคขอหน้าแกเก็ไปฝากไว้ฝากไว้กับแม่แม่ของมิจ ต, ตาไดงนั้นได้ทองก็ต้องไปฝากไว้ขอนึ่มขอนี้ได้ไปก็ไปฝากไว้ไอิยาไปใช่ไปก็หมดเ <c oughs> <c oughs> วลาชูชกไปเอาไม่มีอะไรให้เลยเลยเอาลูกสาวให้ย้อลูกสาวให้ โอ้ลูกสาวใจดีนะแม่ยกให้คนแก่ น, นั่นก็ยังเอาเนีนางก็พรลิบปักหัวสามีแกก็ตามพรลิบักดูแลยอย่างดีจะมีชื่อเสียงโงดังในบ้านหังนั้นมีบรรดาสตรีคนอื่นที่ดูแลหัวไม่ตีหัวก็ทุ้บบังตีบ้างตามากอะไรแต่ไรมากเวลาเขาไปเท่าน้ํำอ่าแต่สะออมน้ําไปเอาน้ํแบบออนาที่บ่อนั่นอ่า อรรยาสองคนนั้นคนนี้คนนี้เราไปพวมกันที่บ่อน้ำมาช่วยกันหรมทุกพรมปีเาอ้นาแหละสามีทุกจันที่จะากันน้ำมิจตาน้มิจตตากลับมาแล้วชูเขากเอาตปาใจโอ้ต้องไปหาคนให้รับใช้ละนางก็พยายามให้หาคนใช้มาดับใช้แลบก็เลยก็เห็นต้วันเขาเปส่ตอนแหละมีชาีมีปัญหารไปขอมายาวา ให้เป็นคนใช้คนนั้นเถะนั้นนี่คือพรเวทย์กุญแจไปแล้วไปขอไปขวัญวันที่ไปถึงวันนั้นแบะชันกัญหาประโยชนเล่นอยู่นั่นแหละนางมัตสีก็ไปหาผลไม่ในป่าะนะั่นแล้สืต่อก็ได้ันหวัดหมอกเนี่ถนมัมมอยู่ให้ไม่ได้ปกติสตรีจะต้องหมงจะต้องฝาละ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องให้ <c oughs> ไพ่ให้ไ่ก็เลยให้ชยชไปช่อชอบก็ได้สิ อยากเขาเลยทริมัดมือมัดที่ทั้งลากทั้นตีต่อหน้านะเนด็กมึงก็ไม่อยากไปอะไรด็กําลังริ่งเลนสนุนะมัดมือทั้งมดัดทีทั้งเตียยทั้งตีดึงกระชากจุดกระชากต่อหน้า น, ะ น, านี่ขณะเขาจะสันดอนมำเพ็ญบารมีพยายามกดความโกโรธอยูแท้ๆจะกดมานานนะ่อไหรเนี่ยชักประขันขึ้นมาเอ๊ะามเอาต่อหน้าต่อตาชักประันขึ้นมา ระ ล, ลึกกโอก็บังเป็นบารมนะีรเพนะื่สอสนุกนะไฟของเ ก, ก, ก, นะกประขันคืนแค่นั้นเองเสียเสียใจมากเลยที่มันลุกอํานาจให้กับความโกรธเขาว่าใจเยาวาร้องให้จนดวงตาเป็นเลือดเลยนะเราไม่จะลวงตาเป็นเรื่องเสียเสียใจกับอํานาจของโทรศัทมันลุกอํานาจออกมาเนี่ยที่ยกประกันขึ้นมาหมายมุ่งหมายจะเอาตามดีคือความโกรธนี้ ทั้งใจปรินเพื่อกดความโกรธให้ทานเพื่อกดความโลคในหัวใจให้ฐา น, า น, า น, เ, น เ, าพเพื่อยำลดความโรคในหัวใจมาเป็นวันเมตตาปรินเพื่อลดเพื่อติญละเพื่อจะกดอำนาจของความโกรธมันตั้งใจบำเพ็ญอยู่นานนะมันจะโตขึ้นมาแล้วชักกระถางขึ้นมาคิดตายกันนั่นนะเอาเก็บขืนโอ้เสียใจยใรยนะเราไม่จะทำตาเา็หใจแบบนี้ก็หลังจะให้กาลาไปแล้วเนะี่ย ตอนงนงที่เอาไปยังไม่ได้บาอทีก็จะไปยกระดับการเวลาเลียเพราะมาะชูชกยังเอาไปไม่ได้กลับมาแล้วกลับมายังไม่ได้เจ็บผลักหมักลับมาได้ทำ ง, งานแรงมากมีสัตว์พกเสือดาวเสือเหลือเสือโครงเทวดาวแปลงมามาขวางทางว่ไม่ให้มาทันชาติทันไนีชูชกคงไม่เอาไปพอที่ไหนได้ก่อนชูชกเอาออกไปแล้ว พวกสัทว์ทั้งหลายที่ความทางเหลานั้นก็ออกงานแล้ว ก, กลับมาที่งงานาสมมาก็มเที่ยวร้องหามามาก็ผิเดเวลาเส่ไหมล่ะเพราะหาชาลีปัญหาร้องตรงนี้ น, ง น, นเงียบตรงนี้เขเงียบตรงนี้เขเงียบเขาบอกโอ้ยสิระยะเวลาเดินร้องให้ลูกสิระยะเวลาเป็นโยต์เป็นโยต์พ อ, <ม>อที่สำรนั่งภาวนาใช่ปลดล้องเวเข้าไปการาบถามทูลถามถึงชาลีปัญหาไปกันสะเพรื่อซะก่อนหล่ะมาผิดเป็นลําเวลา ไปมีความสุขสนุกะนั้นรื่นเริงเพิดเพินกับรูสีชีชีไฟตาบดในปลาที่ไหนอมาผิดเร่อนักเวลาเจ็บปวดจะบอกพอได้เวลาเาบอกเออาได้ให้สิงชคไปแล้วมารโมทนาบกเกนบารมีร่วมกันนางมันสีบัชารถุสับถุให้ไปแล้วสาธุที่ัีน้าตาเต็มใบหน้าแต่สาธุนีคือคูบารมี คู่บังคับจันทร์ปัญหามักสิคู่บังคับเราทาได้อย่างนี้เราก็เราก็มีเพื่อนไขเพื่อนไขต่างๆที่ดีที่สุดเพืองของเราความเย็นเป็นสุดในอัตภาพนี้และกัรที่จะตั้งใจสร้างบารมีบารมอเราก็เป็นไปหน้าเป็นหัวใจเดียวกันยากยากด้วยการทุกข์ทุกด้วยกันสบทสุขด้วยกันันหนักหนาม้อ พิจารณาใครควาารหาฤกษ์ซึ่งกันและกันมีความเคารพน้ำใจสินงกันมีความรักมีความสนองน้ำใจสิ่งกันเคารพรวมไปถึง ญ, ญาติรวปรญญปปรไปถึปปญญงพ่อฝสามีฝ่ายภรรยาแม่ฝ่ายสามีฝ่ายภรรยารวไปถึงญาติรวของฝ่ายสามีฝ่าย เมื่อเราเป็นความาะะาาก็กระลุกกระลือนก็ไปที่ขืนพุ่งกันได้อันนี้คือประโยชนย์นตา่ตางนี้กับอย่งนี้กับตาสัมผจิตตารัพย์ที่เรามีก็ให้ใช้อย่างไม่ปื้นเคืองไม่ฟุ้งเฟยใช้ประโยชนดใช้เปอะไรนี่คือเจ้าทศอนบอกนะการเรียว่าสัมปตาการเียว่าทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมความเป็นอยู่ทเราจะมีความสุ้ความเลย ดังนั้นท่านถึงยกมาเป็นหัวข้ อ, ขอว่าปุอากัสสปุอากัสส์ใครเจริญตามนี้ได้ตนั้นจะเป็นเสี้ยนที่หนึ่งขยันหาสองหามาได้แล้วมีส่วนเหลือมีสุวเก็บแล้วสามแต่มนิดที่สี่ใช้สอยบาคนมีมากเลใช้สอยอยา่างปุืดเขื่อนอันนี้คุญเจสำกัญต้องติมีมากาลยใช้สอยพอดีพอดีไม่ฟุ้งซื้อเลยแล้ก็ไม่ปุืดเขือนใช้พอดีพอดี มีคสอนให้เราด้วยในอัตภาพอย่างอย่างถ่อพิษตามหลักของอุอาการสัมเลยที่สามปรายิกาธรรมมาที่ประโยชน์ในภพหน้าคุณจะนสอนประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในภพหน้าและประโยชน์อย่างทิ้งถึงพันปาระในภพหน้าก็คือให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีจาระฆาให้มีปัญญามีศรัทธาเพื่อที่จะเข้าข้อมอศาสนาหลังจากนั้นว่ามีจาระฆามีความเฉียสฉลาทรัพย์ทำหน้าให้ทาม เราจมีการเสียสละอารมความชั่วร้ายในหัวใจของเราจต่าสิจารค์จต่าสิสิ่งต้องรักษาจารค์ความเสียสละให้ฐานเรื่อง mm hmm. เสียสละอ า, ามีความโกรความเลกเสียสละอารมชั่วร้ายขนาด น, น, น้สมีสงวรสุขคือธรรญาถ้าเราเจริญพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปที ไปสูสุตติที่เรียกว่าสัมปรานิคตัสมสรานิคตคือภพน้นนี่คือประโ ย, ยชนอ์อุป च านมศนประโยชน์ยิ่งขึงนนิพาตันิพ า, าให้เราธรรมศา ส, าสิให้เราเจอสมาธิให้เราเจอปัญญาเจอพิจารนาปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาทำไมความรุ่มรุ่คือภพชาติของเราเเราลุ่มรุ่มยุดรุ่มยุดนี้กาะนู้นกาะนี้แสดในามของการเ พ, พ, พ, พื่อความดเพื่อความผล อย่ายนี in, ้พวกเราเป็นรําบสัมปรายุติธรรประโยชน์พวกเรารที่กะทํมุติธรรมประโยชน์กเราถึงรํพราะุกคนจากคนกังสดสเลนะทุกนาความียงการให้โดยแล้วก็ประโยชน์ยิางทีกริีางพวกเราจดสอนเจริญสมานิเจริญปัญญายาามพจาณาคุยุค้เจะหทำไมพยายามเก็บเลีวกับสมาักข้าไป าการก า, าตามควมสามารถของต น, นก่ออ่าในการรบจะมาก็นยายจะพบคนกล้ามสุดเกลียดเป็นเวลานี้คืนชั่วโมงเป่ขขงเลยพอชุดคนเวลาเอาไปนี้ก่อนลำกระด้าจะต้องหน้าออกตอวนี้เนีเ้น <c oughs> จะเป็นข้างท้ายที่เราได้ทำที่ที่วันนี้ก็มีข้าท่มาแล้วเสีอฮะก็ผมจะได้มีไม่เดียวกันอย่างนีะเออจะเป็นข้างท้ายแท่แน่ใจว่าผู้เอียวันนี้เดี๋ยวๆหลวงพ่อให้พก่อนก่อนให้พรก่อน ยาสาวาริวาฮาปูราภิพูิัารเทวเมวัยโตทินนังเปตานังอุปกระปติอิจิตังปิตังตุมัง อิปเมวัสมิฉะตุสัพเทภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโสดุรโสยถาสัพพีทิโยวิวัชฉันตุสพะโรโกวินัสสุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีธีไนโกภะวะปิวาธนาสีริสนิจมัททาปญจาโยยัตตาโรธรรมาวัฏนติอายุมโนสุขังอะระหังนี่ต่ให้ครนะ